ไปช่วยเหลือกิจาการงานต่างๆหรือว่าทำไปพร้อมกันก็ได้นะทำงานไปก็ดูใจไปด้วยเรียกว่าทำกิจแล้วก็ทำจิตไปด้วยนะถือว่าเป็นการสนองคุณของท่านแล้วก็เป็นการปฏิบัติบูชาด้วยการกระทำนะไม่ใช่ด้วยแค่การสร้างจังหวะหรือแค่การเดินจงกรมท่า น, นั้นก็เช้านี้ก็นะเก้าโมงน ะ, ะท่านใดที่วางและมีกาลังมีน้าใจนะก็